สมิธิสูตรว่าด้วยพระสมิธิข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นครศิลาวดีแควนสักกะสมัยนั้นท่านพระสมิธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสมิธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคานึงอย่างนี้ว่า เป็นลาบของเราหนอที่เราได้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระาศาสดาของเราเป็นลาบของเราหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาบของเราหนอที่เราได้เพื่อนพรมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำหนึ่งของท่านพระสมิทธิด้วยใจแล้ว เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วทำเสียงดังหน้าสะพริงกลัวน่าหวาดเสียวประดุดแผ่นดินจะถลม่มณที่ใก ล, ทล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอที่เราได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นลาบของเราหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินยัยอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นลาบของเราหนอที่เราได้เพื่อนโภมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเสียงดังน่าสะพรึงกลัวน่าหวาดเสียวประดุดแผ่นดินจะถลม่มได้มีแล้วในที่ใกล้ข่าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมิธินั่นไม่ใช่แผ่นดินจะถลม่มนั่นคือมารผู้มีบาบมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดเธอจงไปเถิดสมิธิ จงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นเถิดท่านพระสมิธิรับพระดำรัสแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทาประทักษิณแล้วจากไปแม้ในครั้งที่สองท่านพระสมิธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นนั่นเองแม้ในครั้งที่สอง ท่านพระสมิทธิหลีกเล่นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าละถึงแม้ในครั้งที่สองมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิด้วยใจจึงทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัวน่าหวาเสียวประดุดแผ่นดินจนะถล่มณที่ใกล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิทราบว่านี่คือมารผู้มีบาป จึงกล่าวกับมานผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัท ธ, ธาเรารู้สติและปัญญาแล้วอันหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นดีแล้วท่านบรรดาลรูปร่างให้น่ากลัวแค่ไหนก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าภิกษุสมิธิรู้จักเราจึงหายตัวไปหน้าที่นั่นเอง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 สถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรงราชครือสมัยนั้นท่านพระโคธิกะอยู่ที่วิหารกาลสศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิครั้งนั้นท่านพระโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตชั่วคราวภายหลังท่านพระโคธิกะเสื่อมจากเจโตวิมุตชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สอง ท่านพระโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุติชั่วคราวแม้ครั้งที่สองท่านก็เสริมจากเจโตวิมุติช่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สท่านพระโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตชั <S EN TA> <gesch plastics> ่วคราว <piano> แม้ในคร mm ั hmm. <so> ้งท mm. ี Ella, ่สามท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สี่ท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตชั่วคราวแม้ในครั้งที่สี่ท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่หท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตชั่วคราวแม้ในครั้งที่ห้า ท่านก็เสือ่อมจากเจโตวิมุตชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่6ท่านพระโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตชั่วคราวแม้ในครั้งที่6กท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตช่วคราวนั้นแม้ค э. รั้งที่7ท่านพระโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตชั่วคราวนั้นอีกครั้งนั้นท่านพระโคธิกะได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตชั่วคราวหกครั้งแล้วทางที่ดีเราพึงนำสัสตรามาลำดับนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำหนึงของท่านพระโคธิกะด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีปัญญามากผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคนบาดข้าแต่พระมหาวีระผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองสาวกของพระองค์ถูกมรณะครอบงำแล้วมุ่งหวังความตายอยู่ ขอพระองค์จงทรงห้ามสาวกของพระองค์นั้นเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ปรากฏในหมู่ชนสาวกของพระองค์ยินดีในพระศาสนามีใจยังไม่ได้บรรลุยังเป็นพระเสขะอยู่จะพึงมรณะได้อย่างไรขณะนั้นท่านพระโคธิกะได้นำศาสตรามาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาป ยังได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่านักปราทั้งหลายทําอย่างนี้แลย่อมไม่ห่วงใยชีวิตพระโคทิกะทอนตันหาพร้อมทั้งรากปริณิพานแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิล ซึ่งเป็นสถานที่ที่โคติกะกุลบุตรนำศาสตรามาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคจะด็จเข้าไปยังวิหารกาลาิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระโคติกะนอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียวก็สมัยนั้น กลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงหรือไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นแลคือมารผู้มีบาปค้นหาวิญญาณของโคติกะกุลบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของโคติกะกุลบุตรสถิตยอยู่ณที่ไหนภิกษุทั้งหลายโคติกะกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตยอยู่ปรินิพานแล้วครั้งนั้น มารผู้มีบาปถือพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยขคาถาว่าข้าพระองค์ค้นหาทั้งทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางคือทั้งทิศใหญ่และทิศเฉียงก็ไม่พบท่านพระโคติกะนั้นไปณที่ไหนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า นักปราดผู้ใดสมบูรณ์ด้วยปัญญามีปกติเพ่งพินิษ์ยินดีในฌานทุกเมื่อภาคเพียรอยู่ตลอดวันและคืนไม่เสียดายชีวิตชนะกองทัพมัจจุแล้วไม่กลับมาสู่พบใหม่นักปราดนั้นคือโคธิกะกุลบุตรได้ถอนตันหาพร้อมทั้งรากปริณิพานแล้วพินได้พลัดตกจากรักแร้ของมารผู้มีความเศร้าโศกในลาดับนั้น มารผู้เป็นยักษ์นั้นเสียใจจึงหายตัวไปหน้าที่นั่นเองโคธิกะสูตรที่สาบจบสสัตตาวาสนุพันธสูตรว่าด้วย มารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอดเจปีพระพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ต้นอาชะปารานิคโรครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นมารผู้มีบาปติดตามพระผู้มีพระภาคคอยหาโอกาสตลอดเจปีก็ยังไม่ได้โอกาสภายหลังมารผู้มีบาป เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วเดืกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยกคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือหรือว่ากําลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านได้ทําความเสียหายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่า ท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้เป็นเผ่าพันธ์ของบุคคลผู้ประมาทเราขุดรากของความเศร้าโศกได้หมดแล้วไม่มีความเสียหายไม่เศร้าโศกเพ่งพินิจอยู่เราตัดความติดแน่นคือความโลภในภพทั้งปวงไม่มีอาสวะเพ่งพินิจอยู่มานกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่า นี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเหล่าใดกล่าวอย่างนั้นชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเรา มารกราบทูลว่าถ้าท่านรู้จักทางอันปลอดภัยเป็นที่ให้ถึงอมตะก็จงจากไปคนเดียวเถิดจะต้องพร่ำสอนคนอื่นทำไมเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้มุ่งไปสู่ฝั่งชนเหล่านั้นย่อมถามถึงนิพพานอันมิใช่ที่อยู่ของมารเราถูกชนเหล่านั้นถามก็จักบอกเขาว่าสิ่งใดเป็นความจริง สิ่งนั้นไม่มีอุปธิม่านกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสระโบครณีในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมในสะนั้นมีปูอยู่ครั้งนั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงจํานวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วเข้าไปยังสระโบครณีนั้นจับปูนั้นขึ้นจากน้ําวางไว้บนบกปูนั้นก็ชูกล้ามทั้งสองออก เด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นพึงริดพึงหักพึงทำลายกล้ามนั้นทุกๆุกกล้ามด้วยไม้หรือก้อนหินก็เมื่อเป็นเช่นนั้นปูนั้นถูกริดกล้ามถูกหักก้ามถูกทำลายก้ามหมดแล้วย่อมไม่อาจไต่ลงไปสู่สะโบกรณีนั้นเหมือนแต่ก่อนชั้นใดอารมณ์แม้ทุกชนิดอันเป็นวิสัยของมารที่ทำให้สัตว์เสพติด ทำให้สัตว์เดินรนอารมณ์นั้นทั้งหมดอันพระผู้มีพระภาคตัดรอนหักรานย่ำยีหมดแล้วบัดนี้ข้าพระองค์ผู้คอยหาโอกาสย่อมไม่อาจเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคได้อีกฉันนั้นครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปได้พาสิทธิคถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า กาเห็นก้อนหินมีสีเหมือนมันข้นจึงบินโฉบลงด้วยคิดว่าเราพึ่งได้อาหารโอชะในที่นี้เป็นแน่ความยินดีเพึงเกิดขึ้นโดยแท้กาไม่ได้มีความยินดีในที่นั้นจึงโผบินไปจากที่นั้นข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ก็เหมือนกามาพบก้อนหินฉะนนั้นขอจากไปก่อน สัตววสานุพันธสูตรที่สี่จบ 5. มารธีตุสูตรว่าด้วยที่ดามานครั้งนั้นมารผู้มีบาป คลั้นกล่าวคาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหลีกจากที่นั้นไปนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นิ่งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานใช้ไม้เขี่ยพื้นดินอยู่ครั้งนั้นที่ดามานคือนางตันหานางออรดีและนางราคา เข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าท่านพ่อท่านเสียใจด้วยเหตุไรหรือเศร้าโศกถึงบุรุษคนไหนพวกดิฉันจกใช้บ่วงคือราคะนามาถวายเหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะนั้นบุรุษนั้นจกตกอยู่ในอำนาจของท่านพ่อมารกล่าวว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหรันต์ เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบวงแห่งมานได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคาไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากครั้งนั้นที่ดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะ พวกมอมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระไทยถึงคำของทิดามานนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธทรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาทิดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปหน้าที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่า พวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตรเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละหนึ่งร้ลำดับนั้นที่ดามานคือนางตันหานางออรดีและนางราคาจึงเนรมิตรเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละหนึ่งรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะ พวกม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระไทยถึงคําของธิดามานนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะทรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาธิดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปหน้าที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่า พวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตรเพศเป็นผู้หญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละหนึ่งลำดับนั้นที่ดาวมานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาเนรมิตรเพศเป็นผู้หญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละหนึ่งร้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระสมณะ พวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์แม้ถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงใส่พระไทัยถึงเลยเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะทรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วฝ่ายนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกัน ทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตรเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละหนึ่งร้อยลำดับนั้นนางตันหาละถึงจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละหนึ่งรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะทำเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้ว ต่อมานางตันหาละถึงจึงเนรมิตรเพศเป็นหญิงที่คลอดบุตรแล้วสองคราวคนละหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธทรำรเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลําดับนั้นนางตันหาละถึงจึงเนรมิตรเพศเป็นหญิงกลางคนคนละหนึ่งร้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 ลำดับนั้นที่ดามานคือนางตัญหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วพูดกันว่าเรื่องนี้จริงดังบิดาของเราได้พูดไว้ว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบวงแห่งมานได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมาก อันหนึ่งถ้าพวกเราพึงเล้าลมสมณะหรือพรามใดที่ยังไม่หมดราคาด้วยความพยายามอย่างนี้หาไทยของสมณะหรือพรามนั้นพึงแตกโลกหิตอุ่นๆพึงพุ่งออกจากปากหรือเขาพึงบ้าหรือว่ามีจิตฟุ้งซ่านเหมือนอย่างต้นอ้อสดถูกลมพัดขาดเหี่ยวเฉาแห้งไปแม้ฉันใดสมณะหรือพรามนั้นพึงงอยเหงา ซูบซีดเหี่ยวแห้งไปชั้นนั้นเหมือนกันครั้นแล้วที่ดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่สมควรนางตันหาที่ดามานยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือ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 และรูปที่น่าพอใจแล้วเพ่งพินิษต์อยู่ผู้เดียวได้รู้ความสุขเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเพราะความเป็นมิตรกับใครๆไม่สำเร็จประโยชน์แก่เราลำดับนั้นนางอรดีทิดามานได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างไหนจึงข้ามโอเทั้งห้าได้ บัดนี้ท่านข้ามโอคะที่หกได้แล้วหรือบุคคลเพ่งฌานอย่างไหนมากการมาสัญญาทั้งหลายจับยึดเขาไม่ได้จึงห่างเหินไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลมีกายอันสงบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งมีสติไม่มีความอาลัยรู้ทั่วธรรม มีปกติเพ่งพินิจอยู่ด้วยฌานที่สี่อันหาวิตกมิได้ย่อมไม่กำเริบไม่สร่านไปไม่เป็นผู้ย่อท้อภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จึงข้ามโอเะทั้งห้าได้บัดนี้เธอข้ามโอเะที่หกได้แล้วภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากกลามาสัญญาทั้งหลายจับยึดเธอไม่ได้จึงห่างเหินไป ลำดับนั้นนางราคาที่ดามานเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระศาสดาผู้นำหมู่สงได้ตัดตันหาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจากประพฤตตามได้แน่พระศาสดาพระองค์นี้เป็นผู้ไม่มีความอาลัยตัดขาดจากมือมจุราชได้แล้วจากนำหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งได้แน่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระสัตธรรมเมื่อพระตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมความริษยาจะมีแก่ท่านผู้รู้ได้อย่างไรลำดับนั้นที่ดามานคือนางตันหานางออรดีและนางราคาพากันเข้าไปหามานผู้มีบาปถึงที่อยู่มานผู้มีบาป เห็นที่ดามานคือนางตันหานางอรดีและนางราคามาแต่ไกลจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าพวกเธอช่างโง่เขลาพากันทำลายภูเขาด้วยก้านบัวขุดภูเขาด้วยเล็บเคี้ยวเหล็กด้วยฟันพวกเธออาศัยพระโคดมหาที่พึ่งจะเป็นดูดคนวางหินไว้บนศีรษะแล้วเจาะหาที่พึ่งในบาดาลฉะนั้นพวกเธอ เหมือนเอาน้มมายอกอกพ่อจงหลีกไปเสียเถิดพระธรรมสังคากาจารกล่าวว่าพระศาสดาได้ขับไล่นางตันหานางออรดีและนางราคาผู้มีรูปนน่าทศนายิ่งซึ่งได้มาในที่นั้นให้หนีไปดุดลมพัดปุยนุ่นฉะนั้นมาราทีตุสูตรที่ห้าจบวรที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัมหุละสูตร 2. สมิธิสูตร 3. โคธิกะสูตร 4. สัตตวัสสานุพันธสูตร 5. ามารัตีตุสูตรพระสูตรว่าด้วยมารห้าสูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วมารสังยุตจบบริบูรณ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 เข้าไปบิณทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัตหารเสร็จแล้วต้องการวิเวกความสงัดจึงเข้าไปในป่าอันทวันลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้อาลวิกาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงเข้าไปหาอาลวิคาภิกษุณีถึงที่อยู่ ได้กล่าวกับอารวิกาภิิษุณีด้วยคาถาว่าในโลกไม่มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์ท่านจะทำอะไรด้วยวิเวกเล่าท่านจงเสกความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเสียใจในภายหลังเลยลำดับนั้นอารวิกาภิิษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนามากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ อารวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวคาถาอารวิกาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงเรียกล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าในโลกนี้มีเครื่องสลัดออกจากทุก์ เราสัมผัสดีแล้วด้วยปัญญามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบดิ่วหอกและหลาวกองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งผีร้ายท่านกล่าวความยินดีในกรรมใดความไม่ยินดีนั้นได้มีแล้วแก่เราลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า อารวิกาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอารวิกาสูตรที่หนึ่งจบ 2. โสมาสูตรว่าด้วยโสมาภิกษุณี เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าโซมาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันปัตถารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันถวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้น มานผู้มีบาปประสงค์จะให้โสมมาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาโสมมาภิกษุณีถึงที่พักแล้วได้กล่าวกับโสมมาภิกษุณีด้วยคาถาว่าท้าะใดอันประเสริฐอย่างยิ่งคือพระอรหันต์ซึ่งรือีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอื่นให้สำเร็จได้ยาก ท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่สองนิ้วไม่สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได้ลำดับนั้นโซมาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นโซมาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดระดง ความขนพองสยองกล่าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแหลโสมาภิกษุณีทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดีเมื่อยานเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ผู้ใดมีความคิดเห็นแน่นอนอย่างนี้ว่า เราเป็นสตรีหรือว่าเราเป็นบุรุษผู้ที่ยังมีความเกาเขียวว่าเรามีอยู่มานควรจะกล่าวกับผู้นั้นเถิดลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าโสมาพิษุนีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโสมาสูตรที่สองจบ กีสาโคตมีสูตรว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้ากีสาโคตมีภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินฑบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันถวันเพื่อพักกลางวัน ถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลงวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้กีสาโคตมีภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล่าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหากีสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับกีสาโคตมีภิกษุณีด้วยคาถาว่า บุตรท่านตายแล้วมาอยู่กลางป่าคนเดียวเหมือนคนที่ร้องไห้ยอยู่โดดเดี่ยวกาลังสแสวงหาบุรุษหรืออย่างไรลำดับนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาป ประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแหละจีสาโคตมีภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าบุตรเราตายมานานแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายนี้เป็นที่สุดเหมือนกัน เราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นหรอกท่านผู้มีอายุเรากำจัดความเพลอดเพลอในสิ่งทั้งปวงทำลายความมืดชนะกองทัพมัจุแล้วอยู่อย่างไม่มีอาสวะลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่ากีสาโคตมีภิกษุณีรู้จากเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง ยีสาโคตมีสูตรที่สจบ 4. วิชยาสูตรว่าด้วยวิทยาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่โครงสาวถี ครั้นเวลาเช้าวิชยาภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบา ป, ประสงค์จะให้วิชยาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวิชยาภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้ว ได้กล่าวกับวิชยาภิกษุณีด้วยคาถาว่าเธอยังสาวมีรูปงามและฉันเองก็ยังหนุ่มแน่นมาเถิดน้องนางเรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้าให้สำเริงสำราญกันเถิดลำดับนั้นวิชยาภิกษุณีได้มีความคิดดั่งนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ท่านใดนั้น วิทยาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสดุง้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลวิทยาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามารรูป เสียงกลิ่นรสและผพ t h a p ซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราอึดอัดระอาด้วยกายเน่านี้ที่มีแต่จะแตกทำลายเปื่อยพังไปกามตันหาเราถอนได้แล้วความมืดในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในรูปประพบที่ดำรงอยู่ในอรูปประพบและในสมาบัติอันสงบทั้งปวง เราก็กำจัดได้หมดแล้วลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวิชยาพิสุนีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวิชยาสูตรที่สจบ